ใชในความตรัสรู้ทานิยะเทระยูคู่พระศาสนาพระราษสังวรยานพระท่งน้อมบันธายานอย่างว่าสิ้นโลกมายัางเหลือทรรมประวัติย่อพระราษฎร์วรยานพระราษสังวรยานหรือหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นสิทธิองค์สุดท้ายของหลวงปู่เสากันตะศิโลในรับการสอนจิตภาวนาขั้นสำคัญจากท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรและมีศักดิ์เป็นหลานท่านพ่อลีธรรมทโรหลวงพ่อพุทธท่านมีชาติกำเนิดในสกุลอินหาเกิดเมื่อวันที่8ดกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2,464 รงก บ, บันพุธเดือนสามปีรากาเวลาปีห้าสิบนาทีที่หมู่บ้านหนองโดนอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีบิดาชื่อพรมารดาชื่อสอนท่านเป็นบุตรคนเดียวมีอาชีพกศิกรรมหลวงพ่อพุธ ท, ท่านได้เล่าประวัติและปฏิปทาของท่านไว้ว่า สำหรับชีวประวัติและปฏิปทามีคนมาขอร้องให้เล่าและให้เขียนพิมพ์เป็นเล่มมากต่อมากแต่เราไม่เคยจะยอมทำเพราะเหตุว่าเอาไว้ให้ลูกศิษย์เขาทำกันในเมื่อมีคนต้องการอยากจะรู้เพื่อจะเป็นคติเครื่องเตือนใจอันประกอบไปด้วยประโยชน์เราก็จะเล่าให้ฟังมีคนบางคนมาถามถึงสกุลรุนชาติ เรามักจะบอกเข้าไปเสมอว่าเราเป็นเด็กขอทานกัมพราพ่อแม่ตั้งแต่เล็กอายุเพียงสี่ขวบคงเป็นเพราะกรรมในอดีตชาติที่เราพรากชีวิตสัตว์ไว้จึงต้องเป็นกําพราตั้งแต่เด็กทินฐานบ้านเดิมเราเกิดในดงโจรที่น้องทางป่ายแม่เป็นโจรชั้นไอเสือทั้งนั้นถ้าไม่ได้ออกบวชสงสัยถ้าไม่ตาหู ก็ต้องปิดคุบหัวโตปู่กับย่าเป็นคนจังหวัดอุบลเพราะภัยธรรมชาติเกิดความแห้งแล้งจึงย้ายถิ่นฐานมาอยู่ทางอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครส่วนตากับยายบ้านอยู่จังหวัดสระบุรียมพ่อไปค้ากำปั้นคือไปเป็นลูกจ้างทำนาตำข้าวตักน้าเพราะความที่ท่านเป็นคนหมันขยัน ในหน้าที่การงานทั้งปวงจึงทำให้ตายายพอใจเกิดความรักความสงสารดังนั้นจึงยกลูกสาวให้เป็นเมียโดยตาพูดขึ้นว่าไอพอนกูชอบนิสัยใจคอมึงมึงไม่ต้องพูดอะไรกูจะเอามึงเป็นลูกเขยตาพูดเพียงเท่านั้นยมพ่อก็ได้เป็นลูกเขยของตระกูลนั้นตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมา เมื่อโยมแม่คันแจใได้คลอดเราออกมาตายายและญาติญาติต่างดีอกดีใจโดยตั้งชื่อให้วาพุทธให้พ้องกับวันเกิดอันเป็นสุภเลิกที่ได้บุตรชายไว้สืบสกุลแต่เหตุการณ์ไม่ได้หน้าดีใจเสมอไปอย่างที่ทุกคนคิดเพราะโลกนี้วิปริตอนิจจงบายคล้อยไปข้างหน้าเพื่อความแปรผันหุดสายน้า ไหลลงสู่ที่ต่ำชีวิตทุกชีวิตไหลไปข้างหน้าไม่มีวันกลับได้ไหลไปสู่ความแจและความแตกดับเป็นที่สุดชีวิตเหมือนดวงอาทิตย์ไม่มีการหยุดอยู่กับที่ใครจะอ้อนวอนขอร้องให้คงอยู่ย่อมเป็นไปไม่ได้ชีวิตเปรียกเหมือนอากาศคือว่างเปล่าเหมือนกระแสน้ําคือไหลไปเรื่อยเหมือนกองแกลบ คือไม่แข็งแรงทนทานใครๆไม่สามารถปลูกบ้านในอากาศในกระแสน้ำหรือบนกองแกลบได้เลยเมื่อเราตกคลอดเกิดมาเป็นคนเท่านั้นแหละยมแม่ตกเลือดมากเริ่มเสียสติจากหญิงปกติกลายเป็นหญิงบ้าไปในทันใดพวกญาติญาติพยายามหาทางรักษากันอยู่สอ ง, งสามปีก็ไม่มีทีท่าว่าจะหายยมตา จึงบอกกับโยมพ่อด้วยถ้อยคำอันเศร้าส้อยว่าพอรเอ้ยเจ้ายังหนุ่มยังน้อยอยู่เจ้าไปซะไปหาเ ม, มียใหม่ที่ไหนก็ได้ลูกสาวพ่อมันเป็นบ้ารักษาไม่หายเสียแล้วในที่สุดโยมพ่อก็จำใจจากตระกูล น, นั้นไปด้วยความอลาลัยอาวร์เมื่อท่านได้จากตระกูล น, นั้นไปโดยการไม่นานนักท่านก็มาหวนคิดถึงเราผู้เป็นบุตรชายตัว น, น้อยน้อย เพียงคนเดียวเมื่อท่านคิดดังนั้นจึงหวนกลับไปรับเรามาอยู่กับญาติทางหา่างที่อำเภอแจงคอยจังหวัดสระบุรีอยู่ต่อมาอีกไม่นานนักยมพ่อป่วยเป็นไข้ามาเราียอย่างหนักและในที่สุดท่านก็ตายจากไปขณะนั้นเราอายุได้เพียงสี่ขวบด้วยเดชแห่งบุญซ้ำกรรมซัด บุญบาปพัดพาให้เราหกระเหินทางดำเนินชีวิตอยู่นั้นญาติคนหนึ่งที่เราพึ่งพาอาศัยเขาเป็นล่มโ h ร่มใส่นั้นแจติดเหล้าอย่างหนักไม่มีเงินซื้อเหล้ากำลังจะนำเราไปขายแลกเหล้ากับคนจีนเดชบุญมาหนุนทันโยมปู่เดินทางมาจากจังหวัดสกลนครมารับพอดีเราจึงบุบวิดจวนเจียนถูกเอาไปขายแลกเหล้านี่แหละท่านทั้งหลาย วาสนาของคนเรามันอาศัยบุญกรรมเป็นเครื่องตกแต่งมนุษย์และสัตว์ไม่อาจขัดขืนได้พระพุทธองค์กินตรัสว่าไม่มีที่ว่างแม้แต่แห่งเดียวไม่ว่าในท้องฟ้าในถ้ำกลางมหาสมุทรหรือในหุบเขาที่คนชั่วไปหลบอาศัยอยู่แล้วจะหนีจากบาป ก, กรรมพ้นไปได้เธอทั้งหลายพึงละเว้นความชั่วดุดพ่อค้ามีทรัพย์มาก แต่มีพวกน้อยหลีกเลี่ยงหนทางที่มีภัยและดุดคนรักชีวิตเว้นจากยาพิชนันถึเธอทั้งหลายจงยาสาคัญผิดไปว่าความดีและความชั่วเล็กน้อยจะไม่ให้ผลแม้น้ำที่หยดลงมาทีละหยดละหยดยังเต็มตุ่มได้คนฉลาดและคนโง่เมื่อสั่งสมความดีและความชั่วทีละเล็กละน้อยก็ย่อมเต็มเปี่ยมเพียบแปร ไปด้วยความดีและความชั่วเช่นกันฉะนั้นเพราะว่าสัตว์พวกหนึ่งได้ทำดีมาบ้างแล้วจึงได้เกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ที่ทำบาปย่อมไปเกิดในนรกมนุษย์ที่ทำบุญย่อมไปเกิดในสวรรค์ส่วนผู้หมดกิเลสย่อมไปสู่พระนิพพานอันเป็นบรมธรรมท่านเอวยบุญหมายถึงกรรมดีลิขิตบาป หมายถึงกรรมชั่วลิ์ิตชีวิตจึงมีทางเดินของชีวิตโดยอาศัยดีชั่วแสดงเหตุผลให้ก้าวเดินเราเกิดมาเหมือนชีวิตมันไม่สมดุลแต่มันก็สมดุลตามบุญกรรมที่ตกแต่งมาด้วยความเป็นธรรมกรรมจึงไม่เอียนเอียงตามที่ใครต้องการแต่จะดําเนินตามกรรมดีชั่วที่เรากระทําเท่านั้นการที่ปู่กับเรา เดินทางด้วยเท้าจากสระบุรีมาสกลนครใช้เวลาเดือนครึ่งคําที่ไหนนอนที่นั่นในระหว่างทางนั้นพ่อปู่สุวรรณอุ้มบ้างปู่สงอุ้มบ้างปู่คูนอุ้มบ้างบางทีก็ปล่อยให้วิ่งเล่นมีของเล่นอะไรตามป่าตามเขาเขาก็เอามาล่อบ้างตามข้างทางมีผลตูมกาคือผลมะตูมชนิดหนึ่งพวกคนเท่า เขาก็เอามาให้กลิ้งเล่นสนุกสนานเราก็ชอบใจใหญ่เมื่อคนเท่าเห็นเราพอใจเช่นนั้นเขาก็แกล้งโยนให้กลิ้งไปข้างหน้าให้เราวิ่งตามผลตุ่มกานั้นเมื่อเราวิ่งเก็บได้เขาก็โยนไปข้างหน้าอีกอยู่อย่างนั้นจนกว่าเราจะเหนื่อยหมดเรี่ยวแรงก๋งเวงพลอยหลับไปเองการเดินทางผ่านป่าผ่านเขาอันน่าสะพรึงกลัว รอนแรมระหกระเหินานานวันนานคืนนั้นมันช่างเหนื่อยล้าสำหรับผู้ใหญ่แต่กลับเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจสำหรับเด็กน้อยที่ยังไม่รู้เรื่องราวของชีวิตคําโกหกของผู้ใหญ่เป็นสิ่งไร้สาระสำหรับคนโ ต, ตแต่กลับเป็นสิ่งที่น่าสนุกสนานและน่ากลัวสำหรับเด็กน้อยที่ยังไม่รู้เรื่องราวของโลกเวลาเราร้องไห้คาขู่ง่าย ที่เป็นไม้ตายซึ่งผู้ใหญ่ใช้กันไม่มีวันจบสิ้นนั้นก็คือระวังนะอย่าร้องไห้เดี๋ยวเสือมันจะมาคาบคอหลับถึงหน้าหลานน้อยทาให้หลับผีจะมาเอาตับไปกินและอย่าร้องไห้เสียงดังประเดี๋ยวผีป่ามันจะได้ยินด้วยคำขูเพียงแค่นี้ทำให้น้ำตาเราไหลพรากอาบแก้มแต่เสียงร้องจากลิมผีป่า ไม่มีแม้แต่น้อยส่วนภายในใจนั้นก็โอดครวนอยู่ตลอดการเดินทางเป็นอยู่อย่างนั้นจวบจนกระทั่งถึงบ้านโคกพุทธาตำบลตานเนื้ออำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครณ ห, หมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่พระกรรมฐานแวะเวียนทุ ด, ดงผ่านมาพักภาวนานอยู่บ่อยครั้งและในเขตรัศมีไม่ห่างไกลกันนักก็เป็นป่าช้างดงเกือ มีแม่น้ำลำทานเหมาะแจกการหลีกเร้นภาวนาเป็นที่สปายธรรมเราจำได้อย่างแม่นยำว่าเคยไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตในงานศพพระอาจารย์สอนที่วัดบ้านหนองดินดำตอนนั้นเราอายุได้เพียงแปดขวบเมื่ออยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้ไม่นานนักการตายอันเป็นกรรมตัดรอนก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งคือ คราวนี้ปู่ผู้ประการะเลี้ยงดูต้องมีอันตายจากไปอีกเราจึงอาศัยอยู่กับย่าแจ๋และอาซึ่งเปรียบเสมือนพ่อแม่ตอนนั้นช่วยอาทำนาแต่ละปีละปีทำด้วยความขยันขันแข็งได้ข้าวท่วมหัวท่วมกล้าวหมู่บ้านนับร้อยเจ็บเงินมารวมกันได้ไม่ถึงพันบาทแต่อยู่กันได้อย่างสบายเพราะในน้ํามีปลาในนามีข้าวในสวนมีผัก ในท้องฟ้ามีหมูนกนอกจากนั้นยังเลี้ยงไหมถอป้ามองไปใต้ทุนบ้านมีเล้าหมูเล้าเป็ดเล้าไก่พ่อดสายตามองออกไปท้องทุ่งมีฝูงวัวฝูงควายและหุ่นไล่กาที่กลางแขนรามองไปข้างบ้านเห็นยุงข้าวบางวันยังต้องซ้อมเข้าวสารหาไปขายหาเงินเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดใสทองบ้านเล่า เป็นเด็กนักเรียนไม่เคยได้ใส่เสื้อผ้าที่เขาตัดขายใส่แต่เสื้อผ้าที่เย็บเองนุ่มกางเกงขากรวยไว้ผมจุกทำงานช่วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กเริ่มรู้สึกสำนึกตัวตั้งแต่รู้เลี้ยงสาว่าชีวิตมันช่างทรมานมันเคียดแ้นความจนความไร้พ่อแม่ชีวิตของเรา ว, ว่าไปแล้วมันน่าสงสารถ้าลูกหลานมีมานะที่จะสร้างตัวเอง มันต้องเอาตัวรอดอย่างเราได้ทุกรายในความรู้สึกส่วนลึกไม่มีความรู้สึกเลยว่าที่ไหนเป็นบ้านไม่มีความรู้สึกเลยว่ามีพี่มีน้องมีญาติแต่แสดงความรู้สึกไปตามมารยาทใครมาปรนนาว่าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นหลานก็แสดงไปเขาจะเลิกรักเลิกนับถือก็สบายๆใครมาบอกว่ารักก็รักเขา ถ้าเขาเลิกรักเลิกนับถือก็ไม่มีความรู้สึกเสียใจเลยสักนิดเพราะว่าคนที่เกื้อกูลกันถึงเป็นคนอื่นก็นับเป็นเหมือนพี่น้องคนที่เป็นพี่น้องกันแต่ไม่เกื้อกูลกันก็เป็นเหมือนคนอื่นพยาธิเกิดในตัวเราเองแท้ๆยังไม่มีประโยชน์เลยแต่ยาเกิดในป่ากลับมีประโยชน์มหาศาลนักปราชญ์บางท่าน กล่าวไว้หน้าคิดมากว่าบุคคลผู้มีปัญญาพึงละทิ้งผู้ที่ทอดทิ้งเราไปโดยไม่เหลือเยื่อใยไม่พึงคบคนที่ไม่รักเราเหมือนนกที่รู้ว่าต้นไม้มีผลวายแล้วมองหาต้นไม้อื่นทั้งนี้เพราะโลกกว้างใหญ่ไพศาลนักชีวิตเด็กบ้านนอกมันต้องต่อสู้มากวันวันทำแต่งาน ไม่มีเวลาไปวิ่งเล่นเหมือนเด็กทั่วๆไปถ้าขี้เกียจขี้คร้านจะถูกคนเขาดูถูกเกียหยามกลางวันฤดูฝนต้องทำนาแข่งกับเสียงฟ้าคำรามปลาเปเลวแดดลงฝนกลางคืนหาปู ห, า, หาปลาหากบหาเขียดนอนดึกลูกเช้าลุกขึ้นมาตําข้าวด้วยครบกระเดื่องเกือบจะทุกวันจนชาวบ้านเขาเล่าลือกันว่า เสียงครกไอพุดมันตําข้าวอีกแล้วพวกสู่ได้ยินกันบ้างไหมถ้าได้ยินเอา้าพากันตื่นขึ้นทํางานได้แล้วขณะนั้นเราอายุได้เก้าข ว, วบเรากับไอบ้ใบพยายามช่วยกันแบกท่อนไม้ซึ่งหักขวางทางออกไอ้ใบมันก็บอกเราว่าเพื่อนหามดีกว่าแบกถ้าแบกมันหนักไอเรามันแน่ใจในตัวเองก็พยายามแบกขึ้นบ่าขึ้นบ่าได้แล้วเดินโซซัดโซเซ ขาชวัดเฉวียนล้มลงไม้ทับคอเพื่อนมันก็วิ่งมาช่วยงัดออกไม้มันทับคอเกือบหักนี่แหละชีวิตมันเป็นของไม่แน่นอนอย่างนี้มีเกิดมันก็ต้องมีแกมีเจ็บมีตายมีสุขมีทุกข์ชีวิตมีตั้งขึ้นอย่างจางง า, ามและอาจพังทลายลงอย่างหมดคุณค่านี่เป็นของแน่นอนที่สุดครั้งหนึ่งในปลายฤดูหนาว อันเป็นฤดูต้นข้าวออกรวงพื้นนาทุ่งสีเหลืองอารามเรานอนอยู่ข้างหลอมฟางงูเห่าตัวใหญ่มันเลื้อยมาข้างๆแล้วมันก็เลื้อยขึ้นมากลางลำตัวเราทั้งกลัวทั้งสันตั้งสติไม่ขยับขยื้อนเพราะถ้าขยับขยื้อนงูมันตกใจมันจะฉกเอาได้จากนั้นมันก็ค่อยๆเลื้อยผ่านไปผ่านไปและผ่านไป จึงค้นพบอนิสงค์ของความยากลำบากพูดถึงเรื่องสติสมาธิมันมีมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นสติเป็นสมาธิเพราะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นจิตใต้สำนึกอีกครั้งหนึ่งยังไม่ได้เข้าโรงเรียนถูกงูพิษกัดที่เท้าเกือบจะตายไปเหมือนกันเท้าบวมเป่งเป็นหน้องแหละเยิ้มเจ็บปวดทรมานมาก งูกัดในสมัยนั้นยูกยาก็หายากที่หายได้ก็หายตามธรรมชาตินั่นเองหายเพราะความอดความทนไม่ได้หายเพราะหยูกยากอะไรมีรากไม้ใบไม้ก็นํามาเป็นยาสมุนไพรใช้ถามบ้างประครบประหนุนกันไปตามบุญตามกันถ้าจะเปรียบเทียบแล้วระหว่างคนชั่วกับงูงูดีกว่าคนชั่วไม่ดีเลยเพราะงูย่อมขบกัดเป็นครั้งคราวส่วนคนชั่ว ย่ำจ้องจักกัดทุกอย่างก้าวรุ่งเช้ามืดสลัวไล่ควายออกจากคอกฟ้าหมอกน้ําค้างไปไว้กลางทุ่งนาเราเป็นหนึ่งในบรรดาเด็กไม่กี่คนบนโลกนี้ที่ต้องตรากตรทำทํางานหนักยามกินต้องกินเป็นเวลายามนอนต้องนอนเป็นเวลาบางวันทําผิดพลาดก็ถูกชี้หน้าด่าทอเรานี่ก็เป็นสัตว์โลกอีกชีวิตหนึ่ง ยามไร้ที่พึ่งเป็นประหนึ่งควายเปลวตาบอดสนิททั้งสองข้างสมสารอยู่ในป่ารกรังแต่จะซุกซ่อนเข้าไปในสุมทุ่มพุ่งน้ำเวลาพบค่ํำต้อนควายเข้าข้อไม่ได้กลับตัวเปล่าๆต้องหาบคอนไม้ฝืนมาด้วยถึงบ้านกุลีกุจอตักน้ำหาบน้ำใส่ตุ่มใสหไหถ้าภาระอื่นใดไม่มีจึงนึ่งข้าว ชีวิตวันๆมีอะไรให้ทำเสมอไม่น่าเบือ่อเป็นเด็กกาพร้าอนาถาอยู่กลางบ้านจะขึ้นบ้านผู้ใดเขาก็ปิดประตูบางทีญาติผู้ใหญ่เห็นเราก็ดุผู้ฟ้าผู้ฝ้าบางทีจึงข้าวอยู่ดีๆเขาไล่ออกจากสำรับคล้ายๆกับว่าเขากลั่นแกล้งเวลาค่ำมืดไล่ให้ไปต้อนวัวต้อนควายเข้าคอกเราอายุสิบสอถึงสิบสามปี มันก็เกิดความกลัวบริเวณบ้านที่อยู่เป็นป่าช้างดงเสือทั้งนั้นถ้าชวนน้องๆไปด้วยเขาก็จะดุด่าว่ามึงเกี่ยงเหรอใช้งานแค่นี้ไม่ได้มึงหนีออกจากบ้านกูเราคุกเขานั่งลงต่อหน้าที่หลานบ้านกราบกรานวิงบอลพร้อมทั้งน้ำตาว่าแม่อาผมขอเวลาอยู่อาศัยอีกเพียงหกเดือน ผมก็จะไปบวชนี่แหละท่านทั้งหลายคำกล่าวที่ว่าไปหาเศรษฐีเหมือนผีไปขอทานไปหาคนจนเหมือนพระทศพลไปโปรดสัตว์ถูกต้องที่สุดเวลามันเกิดความท้อถอยขึ้นมาคราใดก็นึกถึงคำดูถูกดูหมิ่นไร้เยื่อใยมากระตุ้นเตือนจิตใจทำให้คิดว่าเราจะมาทำลายตัวเอง เพราะคนอื่นเขาดูถูกดูหมิ่นได้อย่างไรเราต้องเหนือกว่าเขาถ้าเราหวังความเมตตากรุณาจากใครเราก็ควรแสดงความเมตตากรุณาออกไปก่อนมหาสมุทรให้น้ําแจ่ฟ้าฟ้าให้น้ําแจ่ดินและน้ําบนดินก็ไหลกลับคืนสู่มหาสมุทรเป็นวัฏจักรหมุนวนอยู่อย่างนี้เราไม่ทําดีกับใครแล้วใคร เขาจะมาทำดีกับเราเราเอาสิ่งที่คนอื่นเขาลบหลู่ดูหมินมาเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจให้มันเกิดความทะเยอทะยานสอนตัวเองให้เป็นผู้มักใหญ่ไฟสูงในทางที่ดีก็ยิ่งมีใครมาดูถูกเหยียดยามเท่าไหร่ยิ่งต้องกระตือรือร้นเอาชนะจิตใจของเขาให้ได้ยิงมีคำกล่าวไว้ว่าคนสองประเภทคือ คนที่อดทนต่อความยากลำบากได้หนึ่งคนที่เข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าหนึ่งย่อมเจริญยิ่งและประสบสันติสุขไม่เสื่อมคลายธรรมดาว่าคนเมื่อก้าวเท้าข้างหนึ่งไปข้างหน้าเท้าอีกข้างหนึ่งก็ต้องอยู่กับที่บันดิตเมื่อยังไม่มั่นใจว่าถิ่นอื่นดีกว่าก็จะไม่ละทิ้งถิ่นเดิมไปสมัยเด็กๆ เ, กเกงาๆเศร้าๆ เ, เหมือนกัน แต่ไม่ถึงกับทุกมันเหงาเศร้าตรงที่พอได้ยินคนข้างบ้านเขาเอื้อนเรียกกันด้วยคำว่าแม่ว่าพ่อคราใดมันทิ่มแทงจิตใจทำให้เหงาเศร้าขึ้นมาครานั้นพูดไปแล้วในบรรดาเด็กๆไม่มีใครฉลาดเกินเราในช่วงที่เรียนป .5 ถึงป .6 เขาให้เป็นครูช่วยสอนเพื่อนๆในห้องเรียนเวลาออกมานอกห้องเรียน เพื่อนๆมักจะล้อเลียนเป็นภาษาอีสานว่าบักคู่ขั้นหน้าบักคู่ชิกระตึกบางวันไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆบางทีเข้าโมโหเขาก็ด่าว่าไอ้พุทไอ้ลูกไม่มีพ่อแม่สั่งสอนเรารู้สึกกระทบกระเทือนครับแ้นใจอยู่เสมอแต่ดีที่เราไม่เคยคิดเชียดแช้นชิงชังดูหมิ่นคุณผู้อุปการะเลี้ยงดูมา ถึงเราจะเป็นเด็กกำพร้าแต่พระคุณของบิดอมานดาผู้ให้กำเนิดก็ประมาณค่าไม่ได้เรายึดหลักการดำเนินชีวิตคือความกตัญญูลูกเดียวใครเป็นเจ้าบุญนายคุณเขาทำดีแกเราเพียงส่วนเดียวเราจะตอบแทนสิบเท่าคนที่รู้คุณผแล้วตอบแทนหรือประกาศคุณของผู้มีคุณเป็นผู้ฉลาดเป็นกัญาณมิตรเป็นมิตรแท้ บุคคลผู้ช่วยเหลือเพื่อนในยามเพื่อนตกทุกข์ได้ยากด้วยความเต็มใจปราดมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเรียกคนเช่นนี้ว่าคนดีในโลกเราชิดฝังใจอยู่เสมอว่าพระคุณของบิดรนมารดาและคุณของท่านผู้มีคุณทั้งหลายสำคัญที่สุดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ามาตาปปตุอุปฐานการอุปถาบิดามารดา เป็นมงคลอันสูงสุดเพราะบิดามารดาเป็นพระพรหมของลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นเนื้อนาบุญของลูกเพราะฉะนั้นชาวพุทธเรานี้ควรจะได้รู้จักพระสององค์นี้ก่อนอย่างบางทีมองเห็นคนบางคนกำลังจัดของจะไปถวายพระพราะแม่มองดูแล้วพูดว่าลูกของนี่น่าอร่อยนะแม่ขอจินหน่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ฉันจะเอาไปถวายพระ ลูกที่พูดแบบนี้ทําบุญได้บาปตกนรกกันหมดเพราะฉะนั้นให้ถือคติเสียเถิดว่าเรามีมือสองข้างวันหนึ่ ง, ว, นนงวันหนึ่งก่อนที่จะยกขึ้นไหว้ใครต้องยกขึ้นไหว้พ่อแม่เราก่อนพอตื่นจากที่นอนมาพนมมือสองข้างขึ้นสาธุครัพเจ้าไหว้พ่อแม่ทําอย่างนี้เป็นสิริมงคลก่อนจะไปทําการงานยกมือไหว้ หรือกราาปัดท่านเยก่อนถ้ามีของอุปโภคบริโภคต้องยกกระเชนให้พ่อแม่เราก่อนก่อนที่จะเอาไปให้คนอื่นหรือถวายพระการทำดีกับบิดรมารดาจึงได้บุญมีอนิสงฆ์มากในทางตรงกันข้ามถ้าทำบาปก็เป็นบาปมหันต์พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต์ ทำสงให้แตกจากกันยังพระโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเป็นอนันตริยกรรมเป็นปาราชิกในเพศคฤหัตในสมัยเด็กๆมันมีสิ่งหน้าแปลกประหลาดน่าหวาดหวั่นอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาเมื่อไหร่นอนหลับไปจิต ด, ดวงนี้มันจะสว่างแล้วมันก็จะฝันเห็นเป็นก้อนหินกลิ้งมาบดจากสี่ทิ เราตกใจร้องลั่นสะดุ้งตื่นกลัวทุกทีประเดี๋ยวร้องประเดี๋ยวร้องเวลาตื่นขึ้นมาแม่อาจจะจะถามว่าร้องทําไมรําคาญก้อนเห็นมันจะกลิ้งมาทับหัวผมผมกลัวเมื่อเราร้องหนักเข้าจะชักจะรําคาญเห็นมี่โตกูนี่จะสับหัวมึงที่หลังมึงจะร้องสิกเสียงแม่อาตวาดอย่างดัง ผมไม่ได้ตั้งใจร้องมันร้องเองถ้ารู้ตัวอยู่ผมจะร้องไปทำไมเราพูดไปอย่างนี้ดูเหมือนท่านจะไม่ค่อยเชื่อและไม่เข้าใจเมื่อได้มาบทเรียนแปลภาษาบาลีไปเจอบัพะโตปะมะคาถาพระพุทธองค์ตรัสว่ายาท่าปิเซลาวิปุลานภังอาหะจัปปะตา สมันตาอนุปริเยยุงนิโปเทินตาจตุดีซาเอวังเจราจะมัจจุจะอภิวัตตันติปานิโนภูเขาทั้งหลายล้วนเป็นศิลาแท่งทึบสูงจรดฟ้ากลิ้งมาบทสัตว์โดยรอบทั้งสี่ทิศให้แหลกรานไปแม้ฉันใดมัจจุราชคือความแจและความตายย่อมบทขยี้ครอบงำสัตว์ทั้งหลาย ให้แหลกมาลายไปฉันนั้นเหมือนกันเรามาเห็นพระสูตรที่โดนใจเช่นนี้มันก็ตื้นตันอัศจรรย์ใจใหญ่จึงนึกว่าเรานี่มีอดีตไม่งั้นจิตมันคงไม่เป็นเช่นนี้ก่อนจะบวชเนนจิตมันชิดขึ้นมาตามประสาเด็กน้อยว่าเออนี่เราเกิดมาคนคนเดียวพี่น้องก็ไม่มี ถ้าเราอยู่เป็นคารวาสมีครอบครัวมีลูกมีเต้าหากเราหรือมีเราตายไปใครหนอจะเอาลูกของเราไปเลี้ยงส่วนชีวิตเรานี้พ่อแม่ตายไปปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาของเราก็ยังมีอยู่เขายังอุตส่าห์เจ็บเอาเรามาเลี้ยงแต่เรานี้ตัวคนเดียวถ้าเราตายไปใครหนอ จะมารับผิดชอบลูกเต้าของเราเมื่อคิดได้ดังนั้นจึงตั้งปณิธานไว้ว่าเราจะบวชตลอดชีวิตขึ้นชื่อว่าทายาททุกขจะไม่ให้มีอีกแล้วเพราะคิดอยู่เสมอว่าชีวิตสัตว์ล้วนตกอยู่ในความทุกข์โลกนี้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้ามีความโศกาอาโูนเป็นเบื้องหลังเราจะต้องแสวงหาทางข้นทุกข์ พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธแห่งสัตว์พโลกพระองค์ตรัสไว้ว่าความเกิดใหม่เป็นทุกข์การแตกทําลายแห่งสรีระเป็นทุกข์การตายด้วยความหลงเป็นทุกข์ผู้ใดยังไม่ทราบชัดว่าคนที่มีความสุขก็เพราะได้ทําความดีไว้ก่อนและคนที่มีความทุกข์ก็เพราะได้ทําความชั่วไว้ก่อนผู้นั้นชื่อว่า เป็นคนโง่เขลาก่อนบวชได้เข้าวัดมาปฏิบัติรับใช้ท่านพระครูพอที่ภูมิไพรโรธหมุนพธิยาโนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอินทสุวรรณซึ่งเป็นวัดประจงหมู่บ้านในวันบวชมีพระครูพี่บูรณธรรมาขันเจ้าคณะอเาเภอสว่างแดนดินเป็นพระอุปชา